ชาวันนี้ก็ข อ, อนิมนต์พระอาจารย์วัฒนชัยแสดงธรร ม, มขอน้อมน้อมต่อคุณรัตนาไตรโอการเพื่อส ำ, าาำหรับสาสาธรกาทุกท่านจเจริญธรรมไม่ชี้ะรยาตที่ทำทุกท่านนั่งสบายๆเนาะ ในพุทศาสนานี่มีคำสอนอยู่มากมายนะถึง 84,000 พันมัรมขันอันนี้ก็แสดงว่ามีมากเนาะแต่ว่าเราจะต้องอสรุปลงมาให้ได้นะว่ามีอะไรบ้างาจะได้ง่ายขึ้นเนาะสรุปมาแล้วก็มีเ <c oughs> พียงสองอย่างเท่านั้นก็คือให้เรารู้จักความทุกข์แล้วก็การบัดเพื่อถึงความพ้นทุกข์ เ, เท่านั้นเองนะอันนี้เนี่ยถ้าเราสรุปเช่นนี้แล้วการที่เรามาศึกษาพสัสน า, นาก็จะง่ายขึ้นนะประกาศแรกนี่ก็คือความทุกข์นี่เราเห็นหรือยังเนาะความทุกข์นั้นถ้าเราที่เราสวดมนต์ไปเ ม, เมื่อสักครู่นี้ก็มีความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ อันนี้ก็เรียกว่าเป็นความทุกข์ประจาสังขาร น, นะเราหลีกเลี่งไม่พ้นนะเมื่อเราเกิดมาแล้วก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายแ น, น, น่นอนนะมันหนี่พ้นอยู่แล้วเนาะหลังนั้นก็เป็นนะความโศกความรำไรลาพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจก็เป็นทุกขนะ์การประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ การพลาดภาคจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นๆก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่อ อ, อุปทานขันทั้ง5้าเป็นตัวทุกข์เนอะอันนี้ก็เป็นการสรุปความทุกข์ทั้งหมดอยู่ที่กายและใจเรานี่แหละอยากจะได้อะไรก็ไม่ได้สิ่งนั้นก็ไม่ก็เป็นความทุกข์ทั้งสิ้นนะแล้วก็ว่าโดยย่ อ, อ ก, ก็คือกายและใจเนี่ยก็เป็นตัวทุกข์เนะีเพราะนั้นเมื่อเมื่อเรามีร่างกายมีจิตใจนะ มันมีความทุกข์อยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราไปเห็นกันไหมนะการเห็นความทุกข์นี่สําคัญมากเพราะว่าบางคนให้เขามาปฏิบัติธรรมเขาบอกว่ามาปฏิบัติไปทำทําไมบอกว่าเนี่ยปฏิบัติท่าความทุกข์ก็จะลดน้อยลงเขาบอกก็ไม่มีความทุกข์อะไรเลยเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ไม่อยากจะมาปฏิบัติธรรมเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าเราเห็นความทุกข์ไหมถ้าเราถูกบังคับให้มาปฏิบัติธรรม เราก็มาได้ความฝืนความไม่เต็มใจนะเพราะว่าเราไม่เห็นความทุกข์นะแต่ว่านักปบัตธรรมส่วนใหญ่ที่ตั้งใจจริ ง, ร ง, รงๆมาปัธรรมเพราะว่าเขาเห็นความทุกข์กันนะความทุกข์เราเนี่ยมีอยู่จริงนะโดยเพพาะความทุกข์ในทางจิตใจเนี่ยเราแก้ไขลำบากมากนะมันแก้ไขลำบากมากนะมันเป็นแต่มาเป็นสิ่งที่แก้ไขได้อยู่แล้วใช่ไมไม่งั้นจะไปปัธรรมไปทาไมนะครับ ความทุกข์ในทางร่างกายเนี่ยก็มีมากมายอย่างที่ว่านี่แหละอยู่ที่เราเห็นเขาไหมเนาะอย่างตอนนี้เรานั่งมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็มีความปวดเมื่อยนนี้ก็เป็นความทุกข์เนาะบางท่านก็ง่วงนอนนี่ก็เป็นความทุกข์บางท่านก็รู้สึกหิวหิวนี่ก็เป็นความทุกข์บางท่านก็รู้สึกเบื่อเบื่อก็เป็นความทุกข์เนาะหรือตอนนี้มันอากาศก็ห น, หนาวหนาเยน็ยนเย็นก็เป็นความทุกข์เนาะคือความทุกข์ในปัจจุบันเนี่เราเห็นไหม นะเราก็ต้องแก้ทุกข์ไปเรื่อยใช่ไหมเดี๋ยวเราเมื่อยก็ต้องลุกขึ้นมาเดินนะียใช่ไหมเดี๋ยวก็ต้องไปเข้าห้องน้ําเดี๋ยวไปทานอาหารกันมันก็เป็นการแก้ทุกข์ไปแต่จริงๆแล้วความทุกข์ในร่างร่างกายนี้เขาดับไม่ได้นะเป็นการแก้ทุกข์ไปชั่วคราวเท่งนั้นเองใช่ไหมมันไม่มอกาดที่จะดับได้อย่างถาวรเพราะเมื่อแล้มีร่างกายกเหมือนเรามีรถยนต์อยู่คันนึ่งนะรถยนต์คันนี้มันต้องได้รับการดูแลรักษานะ ทิ้งไว้เฉยๆไม่ดูแลมันมันแบตเตอรี่ก็เสื่อมเข้ามาน้ำมันเครื่องก็ค่อยๆแห้งไปยางก็ค่อยๆแบนไปมันค่อยๆเสื่อมไปทุกๆอย่างนะถ้าไม่ได้ดูแลมันนะก็ต้องดูแลมันอยู่เรื่อยๆแต่มันก็มันก็ไม่มันก็ไม่ไม่เป็นสิ่งแน่นอนนะรถยนต์ก็ต้องคอยดูแลไม่ดูแลก็จะเสื่อมแล้วก็ในสุดก็ค่อยๆเสียไปนะใช้ไม่นานก็ต้องเปลี่ยนคันใหม่แล้วเข้ามนี่ ร่างกายก็เหมือนกันก็ต้องคอยดูแลรักษาคอยทนุบํารุงเขาถ้าเราไม่ทําบํารุงเขาเขาก็เสื่อมไปเหมือนกันนะไม่กินอาหารนะไม่นอนเนี่ยเขาก็เสื่อมไปเนาะออันเนี้ยแสดงว่าร่างกายแล้วนะเป็นสิ่งที่เราแก้ไขไม่ได้เลยเราแค่ดูแลบํารุงรักษาก็ไปเท่านั้นเองแล้ว ก, ก็เป็นไปตามอสังคารก็เป็นความทุกข์มีความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะมันต้องมีความตายแน่นอนใช่ไหม ส่วนทางด้านจิตใจนะคือคนเรามีกายและใจเท่านั้นเองมันไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้ความที่จิตใจนี่ก็เป็นความทุกข์นะอย่างที่ว่านั่นแหละคนที่ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่เนะเป็นความทุกข์ในทางจิตใจกันเป็นส่วนใหญ่นะเราจะไม่เคยเห็นคนที่นอนใต้สะพานลอยอเก็บขยะต่างๆเขาก็ไม่ฆ่าตัวตายกันหรอกแต่คนที่มีฐานะค่อนข้างดีน ะ, ะแต่พวกนี้ฆ่าตัว ต, วตายกันเยอะนะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีความทุกข์ในทางใจแล้วเขออกไม่ได้เป็นทางตันทางตันนะมันประสบปัญหาในเรื่องครอบครัวเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความรักความผิดหวังต่างๆหาทางออกไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายกันเนีเพราะฉะนั้นความทุกข์ในทางจิตใจนี้มันมันอันตรายและร้ายแรงกว่าความทุกข์ในทางกายเนาะแต่ความทุกข์ในทางจิตใจนั้นถึงแม้จะร้ายแรงขนาดนั้นแต่กับสามารถแก้ได้อย่างเด็ดขาด คือสามารถดับทุกข์ได้ดยอย่างเด็ดขาดเลยเนาะมันเป็นการดับได้จริงๆเพราะว่าพระรหันสนี่แหละท่านมีความทุกข์ในทางกายเท่านั้นแต่ทางใจิตใจท่านก็ดับได้แล้วท่านออกจากความทุกข์ได้แล้วนะมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนาะอันนี้เนี่ยเพราะนั้นที่เรามาปฏิบัติธรรมนั้นก็เพื่อที่จะแก้ความทุกข์ในทางใจิตใจกันนะมันเป็นผลทางที่เราจะความทุกข์ได้ไม่ยากใช่อืม เพราะนั้นการที่เร า, ามาปฏิบัติธรรมนั้นจุดเป้าหมายมีเพียงประการเดียวก็คือการดับทุกข์ทางใจเนาะไม่ใช่เพื่อเหตุผลประการอื่ น, นถ้าเราตั้งเป้าจะนี้ <c oughs> แล้วเรารู้รู้ว่าเรามีความทุกข์แล้ว <c oughs> ตรงเนี้ยในที่สุดเราก็รู้ว่าแมษในปัจจุบันนี้เราก็ไม่ทุกข์นะเราถูกบังคับมาปฏิบัติธรรมแต่เรื่องอะไรที่เราประสบความทุกข์ในอนาคตเป็นสิ่งแน่นอนเราหลีกเลี่ยงไม่พ้นแล้วเราจะมีจิตใจที่เข้มแข็ง มีสติมีสัมมชัญญะที่จะกลับมารู้ความจริงในภาวะธรรมแล้วเราจะเจอความทุกข์ได้นี่แหละก็คือเหมือนกับเรามาหัดว่ายน้ําในสระว่ายน้ำเนาะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องออกไปเจอคลื่นลมในทะเลนะซึ่งคลื่นลมนี่มันมันจะน่ากลัวมันจะสูงนะมันจะมีความแปรปรวนเรือเราลําเล็กๆออกไปสู่คลื่นลมนะในสุดมันเจอคลื่นลมมันก็ต้องล่มเหมือนกันใช่ไหม แต่ว่าเราว่ายน้ําเป็นแล้วเราฝึกว่ายน้ําในสระว่ายน้ําเล็กๆแต่เราสามารถที่ออกไปสู่ทะเลได้และเมื่อเรือล่มเราก็ว่ายน้ําเป็นไม่จมน้ําตายฉันใดการที่เรามาฝึกจิตสตินี้นะก็เหมือนกับเรามาฝึกว่ายน้ำเมื่อเราว่ายน้ําเป็นแล้วเราออกไปสู่โลกภายนอกนะถึงไปบัดเรารู้สึกมันก็ไม่ค่อยมีความทุกข์แต่ว่าอนาคตต้องมีความทุกข์แน่นอนความทุกข์กายทุกใจเจอแน่นอนและในสุดเราก็ไม่จมน้ําตายแล้วก็สามารถว่ายฝ่ากระแสน้ํา เข้าสู่ฟังได้สําเร็จเนาะอันนี้แบบเพราะงั้นการที่เราฝึกว่ายน้ํามันก็ต้องมีการาจมน้ําบ้างสําลักน้ําบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะมันก็มีความทุกข์เกิดขึ้นในขณะฏปบัติแต่ น, นี้แหละก็คือการฝึกของเราที่จะว่ายน้ําเป็นรักสามารถเจชิญขึ้นลมต่อไปอย่างจิตใจที่มีความสุขมีความสงบเนะาะครา้นี้เราจะนะฝึกว่ายน้ําได้อย่างไรใช่ไหมอ่านะ การเราฝึกวายน้ำเนี่ยเมื่อวานนี้นพระอาจารย์สมใจก็นําสวดสติปัฏฐานสี่ไปแล้วนะที่ว่าตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่าหนทางนี้เป็นหนทางอันเอกเป็นหนทางการพุทุธแท้จริงนะแล้วมันก็ไม่ยากด้วยเพราะการปฏิบัตินี้มันไม่ได้ว่าต้องให้จิตใจสงบเป็นสมาธิบางแห่งต้งไปนั่งสมาธินหลายๆชั่วโมงนะแล้วต้องบางทีก็ต้องเห็นหนู่นเห็นนี่หรือ ว, ว่าถ้าจิตใจไม่สงบรู้สึกแล้วไม่ได้ก้าวหน้าทั้งหลายแหลเลย มีแต่ความปวดเมื่อยมีความสงบบ้างไม่สงบบ้างอันนั้นเป็นวิธีการที่ยากเนาะแต่วิธีการนี้นะเป็นวิธีการที่พระเจ้าบอกไว้ง่ายๆเลยกลับมาลูกกายรู้ใจเราเท่านั้นเองนะอ่าสำคัญว่ากลับมาลูกกายรู้ใจเราไหมมาอยู่กับตัวเราเองได้ไหมเนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายมากนะไม่ต้องใส่ความสงบเลยแต่กลับมารู้ตัวในปัจจุบันนี้ว่ากําลังทําอะไรอยู่เนาะ ก็คือเริ่มต้นผู้เจ้าก็ให้รู้ว่ายืนรู้ว่ายืนเดินรู้ว่าเดินนั่งรู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอนนะนเรียกว่าเอ่อบทบัพระก็คือกลับมารู้ตัวในปัจจุบันนี่แหละใช่ไหมยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเป็นสิ่งเรามีอยู่แล้วใช่ไหมแต่สําคัญว่าเรารู้ไหมว่าขณะนี้กำลังทําอะไรอยู่ใช่ไหมบางคนก็เดินอยู่นะคนเราเนี่ยเดินเดินเป็นอยู่แล้วใช่ไหมเดินเป็นอยู่แล้วแต่ังนขณะนี่เราเดินแล้วก็คิดไปโอ้จะไปทํางานทันไหมเนาะรถจะติดมากไหมเนาะ เดี๋ยวเยนนี้จะไปกินอะไรดีนะเนะมื่อกี้เราปิดไฟหรือยังลืมไปแล้วปิดแก๊สหรือยังไม่แน่ใจเนะนี่ยขณะเดินอยู่มันก็ไม่ได้อยู่กับการเดินหรอกมันก็คิดไปโน่นคิดไปนี่ อ, ด, อดีตบ้างอานาคตบ้างไม่ได้อยู่กับปัจจุบันขณะเดินเราจะไม่รู้ว่ากาลังเดินนะอันนี้คือส่วนใหญ่นะเป็นความเคยชินเราเดินได้อยู่แล้วจนะไม่รู้กำลังเดินเนะี่ยมันมีอยู่มากมายใช่ น้อยคนที่ว่าจะรู้ว่ากําลังเดินแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าอะไรบอกว่าเดินให้รู้เดินใช่ไหมกลับมารู้ในขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ใช่ไหมเพราะตอนนี้ถ้าเรานั่งอยู่นะเราก็กลับมารู้ไม่ว่าเรากำลังนั่งใช่ไหมถ้ากลับมารู้ว่ากําลังนั่งนี่ก็ถือว่าเราเข้าใจแล้วเราไปว่าทาได้แล้วใช่ไหมนั่งรู้ว่านั่งเนี่ยหรือเราตอนนี้อาจจะมีการพลิกมือคว่ำพลิกมือหงายรู้สึกตัวอะไรก็แล้วแต่นะตรงนี้เราก็กลับมารู้ในตรงนี้ใช่ไหมกำลังทำอะไรอยู่เท่านั้นเองนะ หรือกําลังได้ยินเราก็รู้ว่าออขณะนี้กำลังได้ยินนี่ก็แบบทําแล้วใช่ไหมอาการอะไรเกิดขึ้นในใบบัณฑ์นี่แหละคือเป็นสิ่งเราต้องกลับมารู้เท่านั้นเอง ม, มันไม่ได้เป็นสิ่งนี้ยากเย็นเลยเลยนมันเป็นเรื่องที่ง่ายง่ายจริงๆริงผิแต่เราไม่ไม่เคยมาฝึกมาฝืนความเคยชินหรือความหลงทั้งหลายนั่นแหละนะมันจะหลงจนเรื่ยก็กลับมารู้เท่านั้นเดี๋ยวกำลังทำอะไรอยู่เนาะพระพุทธเจ้าก็เลยได้บอกต่อไปว่าเลี้ยวซ้ายแลีขวาเดินหน้าถอยหลัง ขู่แขนหเหยียดแขนทรงจีวรสังาติดื่มลิ้มกินเคี้ยวอุจจาปะปัสวะก็ให้รู้ตึกตัวในปิจบันนี้แหละอันนี้ก็เรียกว่าสัมชัญญาปัปกพก็คือให้กลับมารู้ในอบทย่อยทั้งหลายแหละน ะ, ะเราทำอะไรก็แล้วแต่นะเล็กเล็กน้อยน้อยตอนนี้อาจจะเลี้ยวซ้ายแลกขวาน ะ, ะหรือกระพริบตานะหรือว่าเมื่อกี้สวดมนต์นะมันก็มีการปากขมุกก็ะมิบใช่ ต่างๆแล้วเนี่ยเล็กๆน้อยๆนะตั้งหลายแหลาแล้วเนี่ยก็คือกลับมารู้ว่ากําลังทำอะไรอยู่แม้แต่ในบทใหญ่คือยืนได้นอนอีบนย่อยก็คือทั้งหลายหลาเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะกระดูกกระดิกอะไรก็แล้วแต่นะดืมลิ้มกินเคี้ยวเนี่ยกลับมารู้สึกตัวเนี่ยก็คือในชีวิตประจำวันเราก็รู้ในสิ่งนี้ไปใช่ไหมเพราะนั้นครูบาอาจารย์ก็บอกว่าให้เรารู้สึกตัวในในการเรามีชีวิตประจำวันกันแต่ตรงเนี้ยเป็นสิ่งเราเราต้องมาฝึกก่อนใช่ไหม ถ้าเราไม่ฝึกก่อนเราจะยุดรู้ตัวในชีวิตประจำวั น, นมันก็ยากนะมันจบคนเรามันหลงอยู่ง่ายๆอยู่แล้วเป็นความเคยชินอยู่แล้วนะถ้าเราไปอยู่ในชีวิตประจําวันมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ามันจะรู้ได้ยากเพราะมันเคยหลงอยู่แล้วเพราะนั่นก็เลยมีรูปแบบที่ว่าครูบาอาจารย์ท่านให้เรามาในการสร้างสิบสีจังหวะบ้างหรือการเดินโยงกลบบ้างเพื่อเราฝึกอยู่กับปัจจุบันนั่นเองการรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันเคลื่อนไหวรู้สึกไหมอ่า ดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมนะก็คือดูกายดูใจไปกายเคลื่อนไหวใจรับรู้นะกายอยู่ไหนใจอยู่นั่นก็คือกลับมาอยู่กับปิบันนั่นเองกำลรู้รู้ตัวอยู่กับปิบันเนี่ยตรงนี้เมื่อเราสามารถที่จะอยู่กับปิบันได้เราก็เห็นว่าเออกายมันทําอะไรนะเป็นสิ่งเราสามารถรู้ได้ถ้ามันจะหลงไปก็ไม่เป็นไรก็กลับมาใช่ไหมบางทีเราเคยแปรงฟันวันละสาี่ครั้งมันก็แปรงด้วยความเคยชิน นั่นแหละสิ่งไรทจะเป็นความเคยชินแล้วก็ไม่รู้ตัวเพราะว่ามันมันทำได้เลยใช่ไหมมันเป็นอตนัตโนมัติไปแล้วแต่อะไรที่เราแปลงฟันจากการที่เราเคยชินกลับมารู้สึกตัวใหม่ง่ายๆทีเนี้ยมันก็เป็นสิ่งเรากลับมารู้สึกตัวได้ใช่ไหมหรือในบทต่างๆในชีวิตประจำวันเราซักผ้าอาบน้ําพับผ้าหมนะใส่เสื้อผ้าทั้งหลายแหล่นี่มันเป็นความเคยชินทํานั้นกลับมารู้สึกตัวเนี่ยตรงนี้เราก็สามารถกระทาได้ง่ายๆแล้วก็นําไป ใช้ได้จริงๆริใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่เราไม่ไมไมยากอะไรเลยกลับไปใช้ได้ไม่ต้องไปเข้าป่าเข้าเขาไปอยู่ในถ้ำนะหรือว่าต้องไปเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ในที่เงียบเงียบไม่ได้ยินเสียงอะไรเพื่อปฏิบัติธรรมไม่จําเป็นนะเรากลับไปโรงพยาบาล น, นะที่ทํางานที่บ้านเราที่ไหนไหนก็ได้เพราะว่าเราก็มีกายมีใจทุกแห่งอยู่แล้วแล้วก็นําสิ่งเราเนี้ยไปไปไปฝึกน ะ, ะเมื่อเราฝึกในรูปแบบได้แล้วนอกรูปแบบมันก็พอทําได้ใช่ไหมเพราะเราก็ต้องเดิน ก็ต้องทํางานอยู่แล้วมันเป็นชีวิตจําบันของเราอยู่แล้วเราก็ทําได้อยู่มันก็ไม่ยากเนาะแต่ใหม่ก็ต้องกลับมาฝึกในตรงเนี้ยใหม่กลับมารู้สึกตัวเนาะคราวนี้การที่เราจะกลับมารู้สึกตัวเนี่ยมันก็มีคีย์เวิร์ดอยู่ใช่ไหมคีย์เวิร์ดก็คืออะไรก็คืออยู่กับปัจจุบันนี่แหละใช่ไหมตอนนี้กลับมารู่อยู่กับปัจจุบันนี่มานั่งเรารู้ว่านั่งนี่ก็เป็นสิ่งเราอยู่อยู่ปัจจุบันแล้วไหมอ่ายกมือสืบอสีอยงบากก็มีการขึ้นไหวใช่ไหม ก็อยู่กับปัจจุบันนะหรือพิกมือความพิกมืองา่ายก็ยคืออยู่กับปัจบันเขาอยู่กับปัจจบันมันต่างจากอย่างอื่นอย่างไรนะเพราะว่ามันไม่ต้องคิดมันเป็นแค่ความรู้เท่านั้นเองใช่ไหมอ่าอย่างเรานั่งก็ไม่ต้งคิดว่าเรากำลังนั่งใช่ไหมแต่มันก็คือความจริงไม่ต้องใส่ความคิดเลยมันเป็นปัจจุบันที่เรารู้ความจริงในระับปัจบันนี่แหละมันไม่ต้องใส่ความคิดหรือยกมือ14บส่ยังบาดก็เหมือนกันแล้วก็ไม่มาคิดว่ายกมือยกหนออะไรทั้งหลายแหละ แต่มันก็คือความจริงนะเราก็ไม่ต้องใส่ความคิดเลยก็กลับมารู้เท่านั้นเองใช่ไหมพลิกมือความพลิกมืออะไรก็ไม่ต้องคิดกําลังพลิกหนอแต่ว่ามันก็คือความจริงนั่นเองนะหรือได้ยินเสียงนี่ก็เป็นความจริงเหมือนกันแล้วก็ไม่ไม่ต้อง ค, คิดว่ากําลังได้ยินอะไรทั้งสิน้นเพราะเป็นความจริงนี่ที่มันปรากฏขึ้นเพราะอะไรที่เป็นปัจจุบันนี่มันมันเป็นความจริงความจริงนั่นแหละมันไม่ต้องอาศัยความคิดแต่มันอาศัยเป็นความรู้เท่านั้นเองใช่ไหม เป็นความรู้รู้ตรงไหนรู้การเคลื่อนไหวนะรู้ในขณะนี้กําลังมีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจเรานี่คือความจริงต่างหาเมื่อรู้ตรงนี้ปับ๊บมันจะรู้สึกว่าเราสามารถที่จะอยู่กับความรู้สึกตัวได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยความคิดแต่อย่างใดแต่เราในขณะเดียวกันเราก็ไม่ห้ามความคิดนะความคิดมันเกิดขึ้นมาก็ได้แต่ว่าในาขณะนั้นเราสามารถรู้มันรู้มันได้ใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอยู่กับปัจจุบันอยู่ความจริงอยู่กับความรู้นั่นเองใช่ไหม ความรู้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นความรู้นะเป็นความรู้สึกตัวหรือเป็นความรู้เป็นความจริงส่วนความคิดทั้งหลายแหล่นะมันมีสองอย่างคือความตั้งใจคิดแล้วก็ความไม่ตั้งใจคิดนะความตั้งใจคิดก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราตั้งใจคิดนี่แหละก็เราก็รู้ตัวนะมันก็เป็นสิ่งที่เราก็ไม่ได้หลงไปแต่ความคิดที่มันไม่ได้ตั้งใจคิดก็คือความคิดไปเรื่อยๆคิดโดยที่ไม่รู้ขณะนั้นกาลังคิดนะหรือคิดโดยที่ว่า เป็นความอัตโนมัติของจิตเขาคิดเขาเองมันจะไหลเข้าไปในอดีตหรือนาโคแทบตรงนั้นเลยมันจะไม่รู้ว่ากับกับปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นสิ่งเราเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นความหลงนะสิ่งที่เราไม่รู้ว่ากำลังคิดอะไรมันเป็นความหลงแต่สิ่งไหนที่เรารู้ว่าเป็นความคิดนั้นมันไม่ไม่หลงเพราะนั้นสิ่งนี้มันมันหลงนี่มีมากมายใช่ไหมเพราะจิตมันจะเกิดการทํางานขึ้นชักกันเยอกันระหว่าง2ตัวคือความรู้และความหลงแต่อดีตนั้นถ้าเราไม่เคยฝึกมันจะรู้สึกว่าโอ้ มันคิดท่านตั้งวันวันนึงคิดเยอะแยะมากมายแล้วเราก็ไปช่วยเขาคิดอีกนั่นแหละมันหลงไปแล้วใช่ไหมหลงไปแล้วมันก็นําความทุกข์มาให้เราจากเรื่องต่างๆใช่ไหมมันนําความทุกข์มามากมายสู่จิตใจเราแล้วมันก็ไปสร้างกิเลสสร้างตัณหามากมายให้มาให้เราไปปรุงแต่งเป็นเรื่องความรักความชังความกวดความเกลียดความอิจฉาความริษยาความน้อยใจความเสียใจความเศร้าความเหงาความกลัว ปลกให้เกิดกิเลสตัณหาในการอยากได้อ ย, อยากนู่นอยากนี่อยากไปเที่ยวนูน่นอยากกินนั่นกินนี่ใช่ไหมมากมายนะมันก็นําความทุกข์มาเราทำดังนั้นเพราะว่าตัณหานั่นปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นแหละก็คือความทุกข์เนาะแต่จากการที่เรา <c oughs> เป็นความหลงนั่นแหละเมื่ออดีตเป็นความหลงแต่เราสามารถเปลี่ยนเป็นความรู้ได้ใช่ไหมความรู้เนี่ยปกติเราก็รู้อยู่แล้วแต่มันรู้น้อยใช่มัน ก, ก็มีสติอยู่เหมือนกันแต่มันรู้น้อย มันก็นําให้เราหลงไปทับทั้งวันทับทั้งวันก็อยู่ในความหลงแต่เมื่ cool er อใดที pues ่เรากลับมารู้สึกตัวนะจากการเรามาฝึกเนี่ยอยู่กับปัจจุบันอาศัยการเคลื่อนไหวสืบสีังหวาเป็นเบื้องต้นอาการเดินยังโกมเป็นเบื้องต้นมันก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นเราจะรู้สึกว่าเออความหลงมันก็มีอยู่จริงนะความคิดก็มีอยู่จริงแต่ว่ามันรู้ทันรู้ทันแล้วนะรู้ทันแวบมันก็ดับไปรู้ทันแวบก็ดับไปดับไปยังไงนะเราไม่ต้องให้มันดับหรอกไม่ต้องบอกว่า ความคิดไม่ดีนะจงดับนั่นนี้จงหยุดความคิดไม่จําเป็นนะั่นแหละเราไปบังคับเขาก็กลับมารู้สึกตัวใหม่เดินก็รู้กลับมารู้การเดินนะนั่งไส้หวาเกลับมารู้การนั่งสร้างยาวจังหวะใหม่เขาหลงไปก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อเรารู้สึกตัวแล้วก็จะกลับมาเองนะความหลงก็จะสั้นลงสั้นลงน้อยลงน้อยล ง, น, ยลงนะเราจะมีทนะักษะในการที่เรียกว่าเขาไปแล้วก็จะกลับมาไปแล้วก็จะกลับมาเมาื่อก่อนเขาไปยาวในชะ่ไคิดไปเลย10นาทียี่สินาทีครึ่งชั่วโมงคิดไปยาว แต่มันรู้สึกตัวแล้วเขาจะกลับมาได้เร็วขึ้นนะแป๊บเดียวก็กลับมาแล้วแป๊บเดียวก็กลับมาแล้วเขาก็จะสั้นลงไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นเราก็จะเห็นเออในหลัมันเห็นแล้วนะความคิดมันก็เริ่มเห็นแล้วหลังนั้นเราก็ไม่เข้าไปในความคิดใช่ไหมตอนนี้บางคนอาจจะคิดเออตอนนี้ลงพยาบานกําลังทําอะไรอยู่นะเนี่ยตอนนี้กําลังเตรียมตัวจะรักษาคนไข้นะหรือว่าพ่อแม่เรากําลังเตรียมตัวจะทําอาหารนะหรือว่า จะไปทํางานกันนะหรือว่ากําลังดูข ào, นะ่าวอะไรต่ ảng, ตา ง, างๆเยอะๆเลยแ ล, แล้วก็เข้าไปในความค<ๆ>ิดนั่นแหละเพราะเราหลงไปแต่เราเห็นความคิดปุ๊บมันก็ดับเลยแล้วก็ไม่เข้าไปในความคิดมันก็เห็นเออมันก็ไม่เข้าไปในความคิดนะแต่เมื่อมีความคิดเราก็จะรู้ทันเราจะเห็นแล้วมันกําลังคิดก็รู้ทันละเราเราก็ไม่เข้าไปในความคิดในขณะนั้นเราก็ไม่ได้ห้ามความคิดด้วยเนี่ยมันตรงประเด็นเลยพรเทบว่าให้เห็นความคิดแล้วก็ไม่เข้าไปในความคิดแล้วก็ไม่ห้ามความคิดเนี่ย เพราะการที hmm. ่เราเข้าใจเช่นเนี่ยเขาเรียกว่าตอนนี้เรารู้สึกตัวได้แล้วนะเรามีสติแล้วพอเราก็ไม่ได้หลงอะไรมากมายมันหลงได้แต่ว่าไม่ได้หลงมากแบบสมัยก่อนเนาะเพราะมันก็เข้าสู่ประเด็นที่ว่าเรามีสติแล้วมีสัมชาญิแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าสติแปลว่าอะไรสติก็คือการระลึกได้ระลึกได้ว่าอะไรระลึกได้ว่าเราคิดไปแล้วนะระลึกได้ว่าเรากําลังหลงระลึกได้ว่ากำลังรักกําลังชังอ่าระลึกได้กําลังนั่งอยู่ ระลึกได้กําลังฟังอยู่ระลึกได้กําลังสร้างยางบะอยู่เป็นความระลึกได้แล้วก็เกิดสัมพัญญะขึ้นมาเพราะว่าเรามีสัมพัญญะก็คือการรู้สึกตัว น, นแหละมันจึงรู้ทันความคิดเพราะฉะนั้นสติสัมพันยะสัญพันยะก็คือตัวเดียวกันมันแยกกันไม่ได้เพียงแต่เห็นว่ารายละเอียดมันเป็นอย่างไรเท่านั้นเองนะเมื่อใดที่เรามีสัมพัญญะมันก็ต้องมีสตินะสมัมพัญญะคือการรู้สึกตัวสติก็คือการระลึกได้มันเป็นของที่เรียกว่าคู่กันมาเหมือนกับปัตตงโกเนาะ แต่เมื่อใดที่ไม่มีสัมมัญญาคือไม่รู้สึกตัวมันก็ไม่อาจจะระลึกได้ใช่ไหมมันก็เรียกว่ามันก็ระลึกได้แทบจะชามากหรือแทบจะระลึกไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นมันจะต้องคู่กัน ร, ระหว่างสติและสัมมัญญานะมาการรู้สึกตัวก็เป็นเหตุเกิดสติสติกทาให้เกิดสัมมัญญะมันจะเป็นของคู่กันมาตลอดใช่ไหมเพราะเราอาศัยสัมมัญญะในการรู้สึกตัวก่อนแล้วมันก็จะระลึกได้รู้เท่าทันจิตใจเราก็จะทํางานไปองนะ แต่ในทางเดียวกันเมื่อก่อนนั้นเราจะมีอารมณ์ต่างๆได้เร็วมากอจะเป็นคนโกรธไว้เป็นคนคิดมากเป็นคนขี้น้อยใจเป็นคนขี้โมโหอืต่างๆเหล่านี้นะขี้บน่นขี้หงุดหงิดอะไรเยอะแยะเลยอันนั้นเกิดจากไรอันนั้นเกิดจากการที่เรามีอนุสัย <c oughs> หรือสันดานเดิมที่ว่าเราเป็นคนนิสยัยโดนตามใจตัวเองะ บางทีเด็กสมัยใหม่นะเป็นคนดื้อมากพ่อแม่ว่าไม่ฟังเพราะว่าถูกตามใจตั้งแต่เด็กๆพอใครขัดใจนิดหนึ่งก็จะโกรธได้ง่ายใช่ไหมพ่อแม่ใจนี้เอาใจมากโอ้คอยดูแลยังกับยังกับไข่ไข่ในหินนะออกมากระทบภายนอกนี่คนก็ไม่ดูแลเราแบบไข่ในหินก็ก็ว่าเราต่างๆเหล่านี้ก็ก็ไม่ไม่ตามใจเราแล้วก็โกรธก็งูงหงิดก็ขัดเคืองง่ายนะพอเด็กรุ่นใหม่หรืเป็นเด็กที่เรียกว่าขี้งูงหงิดขี้ขัดเคืองเพราะโดนตามใจตั้งแต่เด็กอันนี้เขาเรียกว่าเป็น เป็นสันดานที่มันปึกมาแล้วตั้งแต่เด็กๆมันไม่ดีใช่ไหมเพราะฉนั้นถ้าเราเป็นแบบนี้เราก็จะมีความทุกข์ไปตลอดชีวิตเลยจนัึงเราแก่เราก็เป็นคนกิ้งมือหงิดตลอดชีวิตนั่นแหละมันมันแก้ไม่ได้หรอกแต่เมืด่ดที่เรากลับมาเริ่มรู้ทันแล้วเ อ, อขณะนี้คนมาว่าแล้วนะเราเริ่มหงุดหงิดแล้วนะพอ ร, รู้ทันแล้วหงุดหงิดก็เป็นไงก็เริ่มเบาลงก็เหมือนความคิดใช่ไหอความคิดเรารู้ทันความคิดก็เริ่มเบาลงเริ่มน้อยลงไปจากการที่เราเริ่มเห็นความคิดนี่แหละ มันก็จะเริ่มเห็นความหงุดหงิดได้อ่ามันกระทบอะไรปุ๊บคนเข้ามาว่าเรามาขัดเคืองใจแล้วไม่ทําตามเราต้องการแล้วก็หงุดหงิดเราก็รู้ทันโอ้หงุดหงิดแล้วนะอ่าก็คือเรามีสติแล้วนะสติมันรู้ทันสติ ค, คืออะไรคือความระลึกได้ระลึกได้วมื่อไรระลึกได้กาลังหงุดหงิดแล้วเมื่อรู้ทันความหงุดหงิดก็เลยเบาลงน้อยลงก็จางหายไปเนาะตรงนี้ก็คืออารมณ์ทั้งหลายนั่นแหละนะมันก็เลยรู้ทันไปด้วยไม่ใช่ความหงุดหงิดอย่างเดียวนะอันนี้คือยกตัวอย่าง ความโกรธความโลภความหลงความอิจฉาความน้อยใจความเสียใจความเหงาความเครียดความปวดมันก็คืออารมณทั้งนั้นที่ว่ามันไปไม่ตามนิสัยที่ว่าเป็นนิสัยไม่ดีที่มีอยู่กับตัวเรามานานแล้วเมื่อรู้ทันก็จะน้อยลงเบาลงก็จะหายไปนี่แหละเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือความทุกข์ใช่ไหมคือความทุกข์ใจอย่างที่ว่ามาเพราะฉะนั้นความทุกข์ใจเราก็จะลดน้อยลงไปลดน้อยไปเรื่อยๆ เขามีความทุกข์อยู่แต่เราก็เห็นความทุกข์นะมันไม่มีใครออกจากความทุกข์จริงๆได้หรอกแต่เราสามารถเห็นเขาได้เห็นเขาได้เออขนาดนี้มันโง่งิ้แล้วนะขนาดนี้มันโกรธแล้วนะจะเมื่อก่อนที่เราเป็นผู้เป็นเป็นผู้มีความโกรธมีความโงดงี้เป็นผู้เป็นนะไม่กลายเป็นผู้เห็นเห็นความโกรธเห็นความงงดงิดเห็นความไม่พอใจแล้วเราก็ดูมันเออมันก็ได้แยกออกจากกันเลยนะเราก็เป็นผู้ดูมันเเเเรรรราากกกกก็็็็ไไไไไไมมมมม่่่ปปนนนนนััับบบออะะะีีคคววสุขขด้หย ให้เป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นนี่แหละอันนี้คือเพชรแห่งรเห็นว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรนี่แหละอันนี้ก็คือมองกุฎแห่งธรรมเราบอกว่าท่านเขียนนะท่านก็มีความสุขนะท่านก็มีความสุขมีความสุขมากนะทั้งท่านเนี่ยอายุก็เป็นผูด้ดีมากแล้วเป็นมะเร็งด้วยท่านก็ยังไม่มีความทุกข์เลยเพราะว่าท่านไม่เป็นอะไรกับอะไรเนาะตรงเนี้พวกเราก็มีโอกาสทียบเป็นเหมือนกับท่านได้ถ้าเราตั้งใจฝึกตั้งใจบแธรรมเนาะ สิ่งเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ว่าเราสามารถพ้นจากความทุกข์ได้จริงๆนะจากการที่เรามาประทําในครั้งนี้นะอันนี้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นประกายในชีวิตเราเมื่อเราเริ่มมีการเดินแล้ว1นึก้าชันใดการเดินนั้นเมื่อมันไม่หยุดแล้วก็ต้องถึงเป้าหมายในชั้นนั้นนะพาะการเดินนี่ก็คือเดินเก้าที่1แล้วหลังเก้าที่สก้าที่สก็ตามมานะอันนี้ก็คือเราสามารถที่จะเข้าสู่ความพ้นทุกข์ได้และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลทั้งหลายนะทั้งหลายนะมันเป็นสิ่งเราต้องพจนกับ ประชาชนมากมายที่เขามีความทุกข์อยู่แล้วนะคนที่มาโรงพยาบาลเนี่ยเขามีความทุกข์เขามีความสุกขก็คงไม่มาหรอกคนเป็นพันๆหรือเป็นร้อยๆคนใช่ไหมต้องมาเข้าแถวยืนรออะไรก็มากมาย <c oughs> เพราะนั้นตรงเนี้ยเขาหงุดหงิดอยู่แล้วนะถ้าเราอารมณ์แล้วไม่ดีเราก็ยิ่งหงุดหงิดมากขึ้นเพราะเราจะได้รับกระแสะอารมณ์ที่ไม่ดีมากมายใช่ไหมแต่เมื่อจิตใจเรามีสติมีสมาธิมีปัญญามีความรู้สึกตัวแล้วจะรู้สึกว่าอารมณ์นั้นต่างๆเหล่านั้นเราจะเกิดความเมตตามากขึ้น นะถึงแม้เราจะได้เงินเดือนนะแต่ว่าจิตใจที่รักษาด้วยความเมตตาปาัญายเขาหายจากความทุกข์ต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็คือบุญกุศลเมื่อก่อนเราทํางานด้วยความขัดเคืองด้วยความไม่พอใจโอ้เชา้ชาเช้าจะมาหามาลมบานกันทาไมนะจะมาทอดพระปา ก, กหรือไงเนะขัดเครืองมากเชา้ชาๆมากันไปร้อยคนนะตอนหลังเราเห็นโอ้มากันเยอะแยะนี่แหละตรงนี้นะ่ะคือบุญที่เราจะได้แล้วเราจะเกิดความเมตตาในการอยากรักษาผู้ป่วยทั้งหลายแหละ เพราะว่าเรามีความเมตตามากขึ้นแล้วเราจะทํางานด้วยจิตใจที่มีความสุขปราณิย์เ ข, ข้าข้นจากความทุกขนะ์เนาะนี่แหละเป็นบุญจากที่เราได้นะถึงแม้ว่าเราจะได้เงินเดือนแต่เมื่อใดที่เราทําด้วยความหงุดหงิดนั้ น, นคืออาโกโซลจิตแต่เมื่อใเราทําด้วยจิตใจที่มีเมตตามีความปราณิยเขา้าข้นจากความทุกข์นี่แหละคือได้บุญนะเพราะเราสามารถที่ทํางานด้วยความที่เรียกว่าเราจะได้บุญตลอดชีวิตแทนที่เราจะหงุดหงิดตลอดชีวิตเนาะมันจะผิดกันนะเราจะเกิดฉันท่าในการทํางานมีความสุขมากขึ้นเนาะ นี่แหละถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะเราจะกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างยังมีความสุขนะจากอ า, อาชีพเราทำเพราะเราเลือกเลือก <c oughs> ไม่ได้นะคนเราม่ได้เลือกอาชีพต่างๆไม่ได้หรอกแต่เมื่อเรามีแล้วอยู่ที่ว่าเรามีความพอใจในงานนั้นไหมใช่ไหมเมื่อเรามีความพอใจในงานเราจะมีความสุขแต่ถ้าไม่พอใจในงานเราจะมีความทุกข์เพราะในเมื่อเราเปลี่ยนความความเข้าใจความคิดได้เราทํำด้วยความเมตตาแล้วเราได้บุญ น, นี่แหละเรามีความสุขนะอันนี้คือทุกๆอาชีพเหมือนกันไม่ว่าจะทํางานอะไรก็แล้วแต่นะ งานเราเนี่ยสามารถทำให้คนอื่นเขามีความสุขให้เขาได้ออกจากความทุกข์หรือว่าให้เขามีความสุขวกสบายมันก็เป็นบุญทุกๆอาชีพนะตรงเนี้ยถ้าเราสามารถเปลี่ยนความคิดนี้ได้คนแรกที่มีความสุขก็คือเรานะตรงเนี้ยมันจะแผ่ไปในสังคมอย่างกว้างขวางน ะ, ะเพราะนั้นเมื่อเรามีความสุขแล้วคนที่อยู่ในครอบครัวเรานะ <c oughs> มีบุตรมีภรรยามีคุณพ่อคุณแม่หรือลูกน้องอบริบาลเรามากมายก็มีความสุขไปด้วย เพราะว่าเราเนี่ยจะมีความสุขเราสามารถแผ่เมตตาไปได้เนาะแต่ถ้าเมื่อใดทีด่จิตเรามีความหงุดหงิดมีความไม่พอใจเราจะแผ่รังสีมาหิตไปสู่คนเหล่านั้นเขาก็มีความทุกข์ไปนะคนรอบๆตัวเราเนี่ยสำคัญอยู่ที่ตัวเราเป็นหลักนะเมื่อเรามีความสุขแล้วเราจะแผ่กระแสความเมตตา ไ, ได้จริงๆนะกระแสความเมตตาคือตัวเราเนี่ยสามารถที่จะออกจากความทุกข์ต่างๆได้จริงๆไหมนะตรงเนี้คือประเด็นหลักที่ว่าเรากลับมาปฏิบัติธรรมกัน แล้วเมื่อเราอาจจะความทุกข์ได้แล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นในใจเรานะั้นเราจะแผ่ความสุขไปให้กับคนอื่นๆได้นะอันนี้สามารถพิสูจน์ได้โดยตัว เ, เองเนาะเพราะในท้ายที่สุดนี้ก็ขอรัตนาบาหมีคุณพระไตรยน้อมนําทุกท่านจเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเราพันธุท่านเทอญ ลหังสัมมาสัมพุโทโธพระวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิสวาข้าโตพระกวาตาธโมธัมมงนาวสซามิสุปาติปันโนพระกวาโตสาวกะสังโฆสัง ค, คงังนะมามิ